ถ้าถามพวกเราง่ายๆว่าใครที่รักตัวเองบ้างก็คิดว่าทุกคนคงจะไม่มีใครตอบว่าไม่รักตัวเองใครๆก็รักตัวเองทั้งนั้นแต่ว่าบางทีเราอาจจะรักตัวเองกันไม่ถูกต้องก็ได้หรือว่าอาจจะไม่ได้รักตัวเองกันจริงหมายถึงพูดเช่นนั้นก็เพราะว่าถ้าเรารักตัวเราเองจริงเนี่ย การที่จะอยู่กับตัวเองคนเดียวก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากกลับเป็นเรื่องที่น่ายินดีด้วยซ้าเพราะว่าเรารักอะไรก็ตามเราก็อยากจะอยู่กับสิ่งนั้นเรารักธรรมชาติเราก็อยากอยู่กับใกล้ชิดกับธรรมชาติเรารักพ่อรักแม่เราก็อยากจะอยู่ใกล้ชิดกับพ่อกับแม่เรามีคนรักเรารักแฟนเราก็อยากอยู่ใกล้ชิดกับแฟนแต่เวลารักตัวเองเนี่ยที่ใครๆก็บอกว่าตัวเองรักตัวเอง แต่ว่าพอจะให้อยู่กับตัวเองจริงๆนี่พวกเราคงจะรู้สึกดีแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างเวลาจะให้อยู่ตัวคนเดียวที่จริงไม่ต้องอยู่ตัวคนเดียวก็ได้แม้แต่อยู่ท่ามกลางผู้คนแต่ว่าไม่ต้องพูดคุยกันให้เราอยู่กับความรู้สึกตัวอย่างที่เราได้ปฏิบัติกันเมื่อตอนเช้าอันนั้นเนี่ยเหมือนกับอยู่กับตัวเอง เพราะว่าแม้จะอยู่ท่ามกลางหมู่มิตรแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปพูดคุยกับใครแล้วก็ไม่มีงานที่จะต้องทำก็เรียกว่าอยู่กับตัวเองหลายคนก็คงจะรู้สึกว่ามันไม่ง่ายยิ่งจะให้ปลีกตัวไปอยู่คนเดียวในห้องในกุฏิหรือว่าในป่าก็ยิ่งแล้วใหญ่โดยมีเงื่อนไขว่าไม่ต้องทำอะไรนอกจากอยู่กับตัวเองการอยู่กับตัวเองเนี่ย ลองพิจารณาดูดีๆเราะว่าถ้าเราหยุดกับตัวเราเองไม่ได้เราจะเรียกว่าเรารักตัวเองได้ไหมในความเป็นจริงก็คือว่าเราแต่ละคนมันเหมือนกับมีสองร่างอยู่ในตัวคนเดียวกันสองร่างนี้ก็อาจจะทะเลาะเบาแวงกันหาความกลมกลืนกันได้ยากเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่คนเดียวเนี่ยถ้าไม่ง่วงนอนถ้าไม่หลับ จะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาคือความฟุ้งซ่านความกระสับกระส่ายความทุลนทุลายและสุดท้ายก็จะพยายามหาทางหนีตัวเองหนีจากตัวเองยังไงก็ทำได้หลายอย่างอย่างง่ายๆคือนอนซะเลย น, นี่หนีจากตัวเองหรือถ้าเนียกตัวเองไม่ได้ถ้านอนไม่ได้ก็หาอะไรทำเปิดโทรทัศน์ดูเปิดหนังสือหรือหาเพื่อนคุยอันนี้แหละคือการหนีตัวเองอย่างหนึ่งนะซึ่ง เราอาจจะไม่ทันสังเกตเพราะว่าทำกันเป็นธรรมดาเสร็จแล้วแต่ลองพิจารณาดูเถอะว่าอันนี้ใช่ไหมที่เราพยายามหนีออกจากตัวเองจะให้อยู่คนเดียวอยู่ไม่ได้อยู่ลำบากแเดี๋ยวนี้เราก็ค้นหาวิธีการต่างๆมากมายที่จะหนีออกจากตัวเองเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันนี้มีวิธีการมากมายนอกจากโทรทัศน์นอกจากเปิดเพลงนอกจากการไปดูหนังก็ยังมีการไปเที่ยวห้าง ไปสังสรรค์หรือว่าไปหาประสบการณ์แปลกๆใหม่ๆทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าจะสรุปด้วยคำเดียวคือวมันเป็นการพยายามที่หนีออกจากตัวเองเพราะว่าเราอยู่กับตัวเราเองไม่ได้มีความขัดแย้งกับตัวเองข้างในคำถามคือว่าเราจะหนีจากตัวเองไปได้ตลอดไหมมันก็ยากนะเพราะว่าคนเราเนี่ยเราเกิดมาตัวคนเดียว เวลาเราออกจากท้องแม่เราก็ออกมาคนเดียวแม้จะเป็นฝาแฝดนะก็ต่างคนต่างก็มีวิถีชีวิตของตัวเองเวลาเราทุกคนอื่นอยากจะมารับลูกทุ ก, กับเราหรือแบ่งเบาวทุกของเราก็ทำได้ไม่มากแม้ผู้นั้นจะเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่สามารถจะแบ่งบาทุกเราได้เมื่อเรามีปัญหาแม้ครูบาอาจารย์อยากจะช่วยให้เราแก้ปัญหาโดยเฉพาะปัญหาในทาง จ, จิตใจ แต่ก็ทําไม่ได้มากไปกว่าการชี้แนะแต่คนแก่นี่คือเราตัวเราเองอย่างพระพุทธเจ้านี่แม้ว่าพระองค์จะมีความกรุณาอย่างยิ่งแต่ว่าพระองค์ก็ยอมรับว่าก็เป็นเพียงแต่ผู้ชี้ทางเป็นผู้ชี้ทางพ้นทุกข์แต่ว่าคนที่จะต้องเดินแล้วก็เพื่อไปถึงความพ้นทุกข์นั้นก็ต้องเป็นเจ้าตัวเองขณะพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถมาก มีพระกรุณามีาพระปัญญาแต่ว่าก็ยังมีข้อจํากัดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเราเองมันเป็นชีวิตของเรานะมันเป็นปัญหาของเราที่เราจะต้องแก้ด้วยตัวเองเวลาสุขเราจะรู้สึกวมีคนสุขร่วมกับเรานะใครๆก็อยากจะมาสุขร่วมกับเราแต่เวลาทุกข์นะเราก็ทุกข์คนเดียวคนหนึ่งก็ไม่สามารถทียบยังถึงความทุกข์ของเราได้ เมื่อเราประสบความพัดพลาดสูญเสียเราก็อาจจะซึมแล้วก็เศร้าโศกเสียใจเพื่อนหรือว่าคนที่เราคุ้นเคยเขาก็อาจจะบอกว่าอย่าเสียใจไปเลยนะชีวิตเอมก็มีความพัดพลาดเป็นธรรมดาแต่เราก็จะนึกอยู่เสมอว่าก็เขาไม่เจออย่างเราเนี่ยเขาก็ถึงพูดได้ซึ่งก็ถูกต้องเพราะว่าคนที่เขาแนะนําเรา นะว่าให้รู้จักปล่อยวางถึงเวลาเขาประสบความภาคภัยสูญเสียเขาก็ทุกข์เหมือนกันเขาก็กลัดกลุ้มจนแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหมือนกันอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าความทุกข์นั้นเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นกับใครแล้วเนี่ยมีแต่ผู้นั้นเท่านั้นแหละนะที่จะแก้ไขได้ที่เหลือนั้นนะก็เป็นเพียงแค่ผู้ช่วยเวลาเจ็บเวลาป่วยก็เหมือนกันนะคนที่เป็นหลักคนที่เป็นคนสําคัญก็คือผู้ป่วยเอง เมื่อเราเจ็บป่วยเนี่ยคนที่สำคัญเป็นคนแรกก็คือตัวเราหมอนั้นเป็นเพียงแค่ผู้ช่วยถ้าเราไม่ให้ความร่วมมือหมอก็ทำอะไรไม่ได้หรือว่าหมอแม้จะรักษาเราด้วยยาขนาดที่ดีที่สุดแต่เรากลุ่มหลงกลุ่มใจอย่างมากเลยแม้จะป่วยกายแต่ใจเรานี่มันทุกข์ทรมารเหลือเกินยาก็เอาไม่อยู่นะบางคนนี่ไม่เป็นโรคอะไรด้วยซ้า หมอวินิจฉัยผิดว่าเป็นโรคหัวใจนั้นดีที่หมอบอกว่าเป็นโรคหัวใจเท่านั้นแหละเจ้าตัวก็สุดเลยที่เคยเดินไปซื้อไปจ่ายตลาดทุกเชา้าทุกเย็นกลายเป็นว่าไม่มีแรงจะเดินไม่มีแรงแม้กระทั่งจะขึ้นบันไดท่าที่กายก็ปกตินะเพียงแต่ว่าหมอเนี่ยเขาวินิจฉัยผิดไปอันนี้เพราะอะไรเพราะใจไงเพราะใจเรา พอเราไปคิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยการที่หมอจะให้ยาอะไรเนี่ยบางทีก็ไม่ตอบสนองเพราะใจเราไม่เอาละถึงบอกว่าเวลาเราป่วยเนี่ยเวลาเราจะป่วยเนี่ยคนสําคัญที่สุดที่จะช่วยให้หายหรือไม่หายนี่คือเราหมอพยาบาลเนี่ยเป็นรองแต่ถ้าเกิดว่าใจเราดีนะบางทีไม่ต้องกินยาก็หายได้เพราะว่าไอ้ที่ป่วยตั้งแต่แล้วบางทีอาจจะเป็นป่วยเพราะใจ ที่อาจารย์ประเวศได้เคยเล่าว่ามีนักศึกษาแพทย์พาผู้ป่วยคนนึงเป็นลุงเนี่ยแกซีดเลยนะไม่พอมาแต่ซีดแล้วก็ไม่มีเรี่ยวแรงจนกระทั่งต้องใช้เปลนเนี่ยเข็นมามาหาอาจารย์ประเวศวสีซึ่งเป็นหมอทางด้านโลหิตอาจารย์ประเวศดูอาการแล้วก็สักถามประวัติเสร็จแล้วก็พูดกับนักศึกษาแพทย์ว่าไม่มีอะไรหรอก ก็เป็นเพียงแค่มีเพี้ยนปากขอเท่านั้นแหละเสียธาตุเหล็กไปเดี๋ยวให้กินธาตุเหล็กไม่กี่วันก็ดีจะกพระแมู้อย่างนี้นี่คนป่วยก็ได้ยินเขาลุกขึ้นมาเลยนะแล้วก็เข็นรถเข็นออกไปบอกว่าถ้ามันหายง่ายอย่างนี้ผมก็ไม่ต้องใช้รถเข็นแล้วล่ะคือไม่ทันจะได้กินยาเลยก็หายแล้วก็มีเรือมีแรงแล้วคําถามว่าทําไมทีแรกไม่มีเรือไม่มีแรงเพราะใจมันคิดว่า ตายแน่ๆแล้วฉันมันเลงหรือเปล่านะเพราะคิดแบบนี้เขาน้ำก็หมดเรี่ยวหมดแรงไปเลยแต่พอใจนี่พอรู้ว่าไม่มีอะไรก็แค่กินธาตุเหล็กเสริมเข้าไปเท่านั้นอีกไม่กี่มันก็หายลุกขึ้นมาได้ทันทีถึงบอกว่าเมื่อเราป่วยคนสำคัญที่สุดก็คือเราเราจะสุขหรือเราจะทุกข์คนสำคัญก็คือเราและเมื่อเวลาเราจะต้องไปจากโลกนี้เราก็ไปคนเดียว แม้ว่าอาจจะมีหลายคนที่ร่วมในเหตุการณ์เดียวกับเราแต่ว่าเราก็ไม่มีโอกาสที่จะไปรับรู้ความทุกข์ของใครได้เพราะว่าความทุกข์ของเราคนเดียวก็หนักหนาสหนะาหัสะเพราะไปคนเดียวเหมือนกันแม้ว่าคนที่เขารักเราเช่นเรามีลูกมีหลานมีพ่อมีแม่เขาอยากจะแบ่งเบาความทุกข์ให้เราหรือเขาก็อยากจะแบ่งชีวิตให้เราเขาก็ทำไม่ได้เพราะว่าชีวิตใครก็เป็นชีวิตของเขา ถึงที่สุดแล้วนี่เรามาคนเดียวเราก็ไปคนเดียวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีที่พึ่งอะไรที่ดีไปกว่าตัวเราเองคำถามก็คือว่าเรามีตัวเองเป็นที่พึ่งแล้วหรือยังถ้าว่าเรายังอยู่กับตัวเราเองไม่ได้เรายัางไม่สามารถสมนสานสมัครี่กับตัวเราเองอยังทะเลาะเบาแย่งกับตัวเราเองอยู่กับตัวเองแล้วทุรนทุรายกระสับกระส่ายไม่สามารถที่จะเกิดความสงบสันติกับตัวเรา เราสู้ลบตบมือกับตัวเราเองตลอดเวลาแล้วเราจะมีความสุขและเราจะมีตัวเราเองเป็นที่พึ่งได้อย่างไรผู้เจ้าได้ตรัสไว้นะที่เราคุ้นเคยกันดีว่าอัตติอัตโนนาโถตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่ผู้เจ้าก็ตัดต่อไปว่าตนที่ฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยย่อมเป็นที่พึ่งที่หาได้แสนยากประโยคหลังนี้ชาวพุทธไทยเราไม่ค่อยรู้จัก เรารู้แต่ว่าเออตอนนันเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่ว่าจะเป็นที่พึ่งได้แท้จริงต้องฝึกเพราะถ้าไม่ฝึกแล้วเนี่ยนอกจากจะไม่ใช่เป็นที่พึ่งนอกจากจะไม่ใช่มินนะบางทีเป็นศัตรูตนนี่แหละเป็นศัตรูกับตัวเราเองมันสามารถจะสั่งให้เราไปปล้นไปขโมยไปฆ่าใครหรือแม้กระทั่งสั่งให้เราทำร้ายตัวเราเองก็ได้ไม่มีใครสั่งนะ คนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยไม่มีใครสัง่งไม่มีใครบอกแต่ก็ทำเพราะอะไรเพราะเขาทนอยู่กับตัวเองไม่ได้ทนอยู่กับตัวเองไม่ได้ปนความคิดของตัวเองไม่ได้ความคิดที่มันปรุงแต่งจงกนกระทั่งสุดจะทนทานอารมณ์ความรู้สึกเมื่อมันสะสมหมักหมมเข้ามาในจิตใจนี่มันหนักนะมันหนักกว่าก้อนหินอีกนะ ก้อนินนี้เรายังอาจจะยกได้นะถึงแม้เรายกไม่ได้เราก็มีเครื่องให้ยกแต่อารมณ์ความรู้สึกถ้ามันหนักมากๆนี่ไม่มีอะไรมาแบ่งเบาภาระได้เลยตราบใดที่ใจเรายังไปยึดอยู่ยังไปแบกอยู่ยงั้นคนเราเวลานี้ทำ้ายตัวเราเองทำ้ายตัวเองมากนะเพราะว่าเขาไม่เห็นความสำคัญของการที่จะเป็นมิตรกับตัวเองเขาไม่เห็นความสาคัญของการที่จะ รู้จักอยู่กับตัวเองอย่างสงบสันติเพราะเขาเนี่ยคอยหนีตัวเองอยู่เรื่อยๆวันนี้ยังหนีได้พรุ่งนี้ยังหนีได้แต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราจะหนีไปได้นานสักเท่าไหร่เพราะวันดีคือวันดีลอยต้องมาอยู่กับตัวเราเองก็ได้ถึงตอนนั้นแหละจะต้องหาวิธีที่จะจัดการกับตัวเองได้ได้เคยดูหนังเรื่องหนึ่งนะมันเป็นเรื่องชีวิตจริงของนักโทษ ในฝรั่งเศสเป็นเรื่องเมื่อสักเกือบเจ็ดสิบแปสิบปีที่แล้วเป็นเรื่องของนับโทษชื่อปาปิยองหลายคนที่อายุตักงสกว่าคงจะเคยได้ยินเพราะเป็นหนังที่มีชื่อซึ่งมาจากเรื่องจริงปาปิยองนี่ถูกจับโดยที่ไม่ได้ทำผิดอะไรแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะต่อสู้หลบหนีหลบหนีมาหลายครั้งในสุดก็ต้องถูกจับไปอยู่คุกขังเดียวคุกนี้เนี่ย ไม่มีใครอยู่รอดได้เกิน5ปีไม่ใช่เพราะว่าไม่มีอาหารจะกินนะแต่ว่าที่อยู่ไม่รอดเนี่ยเพราะว่าประสาทจะกินเป็นที่ขึ้นชื่อลือชามาก5ปีเท่านั้นแหละไม่รอดประสาทจะกินสิ่งแรกที่ปาปิยองทําเมื่อเข้าไปอยู่ในคุกก็คือเดินที่เราเรียกสมัยนี้ว่าเดินจงกรมเดิน นับก้าคุกมันก็ไม่ได้ใหญ่นะเดินนับเก้าเดินนับเก้าเดินทํำไมถึงทาอย่างนั้นเพื่อจะได้สะกดความคิดไม่ให้ปรุงแต่งเพราะว่าในเวลานั้นในยามนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นอันตรายต่อจิตใจที่สุดก็คือความคิดความคิดที่หวนระลึกถึงอดีตหรือว่าไปกังวลถึงอนาคตจะลอดไม่นี่บางทีก็นึกถึงอดีตว่าเคยมีความสุขอย่างไรบ้างแล้วต้องมาอยู่แบบนั้นไม่เจอเพื่อ น, นอะไรต่างๆ ความกลัวความวิตกความกังวลเข้ามาหลอกหลอน24ชั่วโมงถึงตอนนี้เนี่ยมันทำลายตัวเราเองแล้วศัตรูเนี่ยคือตัวเราเนี่แหละมันกลายเป็นศัตรูถ้าคุมไม่ได้แล้วปปิยองเนี่ยเขาใช้วิธีนี้เลยเดินจงกรมนับเก้าทากันตลอดเวลาที่มีความรู้สึกตัวตลอดเวลาที่ตื่นขึ้นปรากฏว่าพอถึง5ปีนี้ออกมา ได้ตานีนะแทบจะเป็นฟ้าเลยตาหนีแทบจะบอดเพราะว่าไม่ได้เห็นแสงอาทิตย์มานานแต่ว่าที่เขาแปลกใจคือมันรอดมาได้ยังไงเพราะส่วนใหญ่ต้องวิกลจริตเป็นบ้าซะก่อนตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่สุดต่งไปเพราะว่าคนคงจะมีน้อยคนที่จะเข้าไปอยู่ในสภาพเช่นนั้นแต่ความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้คือว่าในชีวิตของเรามันก็คงมีหลายครั้งที่เราต้องอยู่ กับตัวเราคนเดียวดวยเพราะนิยามที่เราเศร้าโศกเสียใจนยามที่เราพลัดพรากนยามที่เราประสบความล้มเหลวนยามที่ไม่มีใครที่จะมาร่วมแห่แหนฉลองชัยชนะกับเราเพราะเราไม่มีชัยชนะอะไรที่จะให้ใครๆมาร่วมแห่แหนด้วยตรงนี้แหละและที่มันคือบางทีเวลาเจ็บป่วยนะเจ็บป่วยก็จะเป็นภาวะที่เราต้องอยู่คนเดียวจริงๆจะต้องอยู่คนเดียว หรือว่าไม่เจ็บป่วยแต่ว่าถึงเวลาแก่เท่าทำอะไรไม่ได้มีหลายคนนะก็พอแก่เท่าแล้วเนี่ยต้องปลดเกียณแต่เนื่องจากเป็นคนที่ทำงานมาตลอดพอไม่ได้ทำงานแม้จะอยู่ท่ามกลางลูกหลานก็อยู่ไม่ได้จะกลับไปทำงานก็สร้างปัญหาให้กับคนต่างๆเพราะว่าความจำหลงลืมบ้างคิดเลงไม่ถูกบ้างอารมณ์ไม่จอยบ้างแต่ไม่ต้องรอให้แก่นะ มันจะมีหลายช่วงในชีวิตของเราที่เราจะรู้สึกว้าเย่อ้างวางหรือประสบปัญหาในยามนั้นแหละที่เราจะเริ่มเห็นคุณค่าของการรักตัวเองและการมีตัวเองเป็นมิตรแต่ถ้าเราไม่รู้จักที่จะทําตัวเองให้เป็นมิตรกับเราไม่สามารถที่จะอยู่กับตัวเองได้อย่างสงบสันติเราก็ได้แต่หลีกหนีปัญหาไปวันๆซึ่งมันก็หลีกไปได้ชั่วคราวเท่านั้นแหละพอถึงที่สุดแล้วคนเราต้องเผชิญหน้ากับตัวเราเอง บางวันเราจะตื่นขึ้นมาแล้วมองไปที่กระจกแล้วก็สงสัยว่าไอ้ที่อยู่ในหน้ากระจกนั่นมันเป็นใครกันแน่พอ ร, รู้สึกเขินห่างแปลกแยกเหลือเกินมันจะมีวันหนึ่งมันจะมีบางวันบางช่วงที่เราจะรู้สึกแบบนั้นนั่นมันจาเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมาให้ความสำคัญกับการที่เราจะอยู่กับตัวเองให้ได้เรียนรู้ที่จะอาศัยสตินี่แหละเป็นเครื่องที่จะช่วยรักษาใจของเรา ช่วยให้ความคิดความรู้สึกของเราเนี่ยมันอยู่ในความสงบสันตินะคนเท่าคนแก่ก็บอกไว้ว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กมิตรให้ระวังวาจาอันนี้เป็นความจริงที่อมาตะมากไม่ง่ายนะโดยเฉพาะข้อแรกอยู่คนเดียวระวังความคิดแต่ถ้าเรามีสติเราสร้างสติเรารักษาสติไว้สติก็จะรักษาเรา เราทำอะไรกับสิ่งใดก็ตามเนี่ยมันไม่เคยสูญเปล่าเลยเหมือนกับเราปลูกต้นไม้เราดูแลรักษาต้นไม้ดล้วในที่สุดต้นไม้ก็จะดูแลรักษาเราเช่นให้ลมเงาแก่เราหรือว่าให้อาหารให้ปัจจัยสี่แก่เราเวลาเราจัดแต่งดอกไม้ในแจกันมันไม่ใช่แค่ดอกไม้ที่ถูกจัดแต่งให้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่านั้นนะดอกไม้ก็จัดแต่ง ใจเราด้วยอันนี้แหละที่เขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมแนหะคือเราทำอะไรไปมันไม่เคยสูญเปล่ามันย้อนกลับมาที่เรามันขึ้นอยู่ว่าเราทำอะไรกับสิ่งต่างๆถ้าเราทำสิ่งต่างๆด้วยความะเียดถี่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นล้างจานกวาดบ้านหรือว่าทำงานทำการหรือว่าเกี่ยวข้องกับผู้คนด้วยความใส่ใจด้วยความลเอียดถี่ถ้วน มันไม่ใช่แค่เพื่อนไม่ใช่แค่งานฉะนั้นที่จะได้รับที่จะพรอยละเอียดถี่ถ้วนหรือว่าสวยงามไปด้วยแต่ใจเราก็พลอยแต่ละการจัดแต่งให้งดงามไปด้วยเช่นเดียวกันเวลาเราใช้ของด้วยความใส่ใจนะไม่ใช่ของด้วยอาการลวกลวกเราใช้สิ่งต่างๆอย่างมีความประณีตละเอียดละออใช้อย่างเห็นค่าของสิ่งนั้นนะไม่ใช่ใช้แบบไม่เอาใจใส่ เราทำด้วยความประนีประเอีลอใจเราก็พลอยประนีประเอีลอไปด้วยแล้วก็อาจจะรวมไปถึงพฤติกรรมของเราก็ประนีประเอีลอไปด้วยเช่นกันวันนี้เราเราดูแลรักษาจิตใจวันหน้าใจนั่นแหละก็จะดูแลรักษาเราเวลาเราทุกเวลาเราประสบความพลาดพลาสูญเสียเวลา เ, าเจอความผันผวนปนในชีวิตเวลาเราเกิดความเจ็บป่วยขึ้นมาใจนี่แหละที่จะช่วยเราได้ ทุกวันนี้เนี่ยเราเราจะบอกว่าเรารักตัวเราเองเราล้วกใส่ใจกับตัวเราเองแต่สิ่งที่เราใส่ใจนันเนี่ยมันเป็นเรื่องทางกายซะ ส, ส่วนใหญ่เช่นหาอาหารมาเลี้ยงตัวหาสิ่งอร่อยอร่อยมาปลนเปลอตัวเองหาเสื้อผ้าหาบ้านหาสิ่งประดับทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของกายทั้งนั้น แม้กระทั่งวิชาความรู้ที่เราเรียนมาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกายโดยส่วนใหญ่คือการทํามาหากินเพื่อให้เรามีความสะดวกสบายทางกายแต่ถามว่าเราทำอะไรให้กับจิตใจของเราบ้างลองดูเส้นไอความสุขที่เราแสวงหาในส่วนใหญ่มา เ, เป็นการปลนเปลือตาหูจมูกลิ้นกายทั้งนั้นแหละแต่ว่าไม่ได้ปลนเปลือจิตใจจริงๆเพราะจิตใจเราไม่ได้ต้องการความสะดวกสบายความสนุกสนานอันนั้นมันพื้นผิว สิ่งที่จิตใจเราต้องการคือความสงบความสุขความเย็นซึ่งมันหาไม่ได้โดยการใช้ชีวิตอย่างที่คนส่วนใหญ่เขาทากันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการปลนเปลอกายซช้ส่วนใหญ่อันนี้ก็เรียกว่าเราไม่ให้ความเป็นธรรมแก่จิตใจของเราอย่างเพียงพอเป็นชีวิตที่ต้องเรียกว่าขาดความสมดุลมากเป็นชีวิตที่เอียงกระเทเลไปทางด้านของกายใช้เยอะแต่เรื่องของใจ เราไม่ดูแลเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่คนเดียวไม่มีสิ่งเสพสิ่งบริโภคไม่มีเรื่องที่จะมาล่อตาให้หนีออกจากตัวเองไม่มีเรื่องที่จะดึงหรือปลนเปลอหูจมูกลิ้นกายถึงเวลาต้องมาประจันหน้ากับตัวเองก็เลยอยู่ไม่ได้เพราะว่าใจเขาพยศใจเขาปั่นป่วนใจเขาเล่นงานเราอันนี้คนไม่ต่างจาก พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกนะแต่ว่าไม่เคยเอาใจใส่กับลูกอาจจะให้เงินลูกหาของมาให้ลูกแต่ไม่เคยใส่ใจความรู้สึกของลูกไม่มีเวลาที่จะกล่อมเกลาลูกผลที่ตามมาคือว่าพอลูกโตเป็นวัยรุ่นก็สร้างปัญหาร้อยให้กับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่สารพัด ส, สารเพและเราก็บ่นว่าลูกนี่มันไม่ได้เรื่องเลย สอนไม่จำนะไม่รักดีแต่เราบางทีก็ต้องย้อนกลับมาถามตัวเเองว่าแล้วเราเคยมีอวลาให้กับเขาจริงๆหรือเปล่าเราให้แต่งเงินจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เราแทบจะกลายเป็นสิ่งที่คนบางคนเรียกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยเงินไปแล้วแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะให้ความรักแก่เขาและเราจะโทษใครดีใจเรากาลังจะกลายเป็นเด็กที่ถูกเลี้ยงจน เสียคนและสุดท้ายคนที่รับเพร่อก็คือพ่อแม่นที่เขาได้ทํากับลูกอย่างนั้นอย่าปล่อยให้ใจของเราเป็นอย่างนั้นอย่าปล่อยให้ัจเรานี่เป็นอันพานที่เวลาอยู่คนเดียวแล้วนี่มันพยจดมันก่อกวนมันปั่นป่วนจนกระทั่งเราเองต้องทุรนทุรายหรือเกิดความเครียดเกิดความโกรธเกิดความเศร้าจนกระทั่งแทบจะ เอาตัวไม่รอดสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราถ้าเราตอนหนักไว้แต่เนิน่นเนิดก็จะช่วยทำให้เรามีความพร้อมเพราะสิ่งเหล่านี้มันต้องใช้เวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสุขทางจิตใจก็ดีมันเป็นเรื่องที่ต้องสะสมด้วยเวลามันเหมือนกับการที่เราต้องหยอดเงิน ทีระบาดทีระบาดใส่กระปุก อ, อมสินต้องใช้เวลาต้องใช้การสะสมทจริงไม่ต้องดูอื่นไกลก็เหมือนก็ต้นไม้อะต้นไม้นี่มันมีทางที่จะเร่งให้มันโตได้หรือออกดอกออกผลได้อย่างเร็วทันใจเราได้ต้องใช้เวลาเพราะว่าเขาเติบโตทีละนิดทีละนิดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าเราใส่ใจให้เวลาไม่ต้องให้เวลามาก แต่ว่าเขาจะอยู่ได้นา น, นก็ต้นไม้เนี่ยเราลดน้ำต้นหนึ่งก็ไม่ได้ใช้เวลามากแต่เมื่อเขาโตแล้วนี่เขาอยู่ได้นานบางทีอยู่นานกว่าชีวิตของเราซะอีกผลพวงหรืออนิสงของการที่เราดูแลจิตใจของเราด้วยการเจริญสติหรือว่าทำสมาธิภาวนานเนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลาเยอะอย่างน้อยก็ไม่มากไปกว่าเวลาที่เราไปใช้กับเรื่องทางกาย วันวนหนึ่งเราใช้กับเรื่องทางกายเนี่ยยีชั่วโมงเนี่ยเราใช้กับเรื่องทางกายอาจจะเกือบทั้งหมดเลยก็ได้เพราะว่านอนนี่ก็เป็นเรื่องทางกายเราใช้เวลานอนพักผ่อนกายหนึ่งในสของวันเรากินเราทํางานแล้วก็เราเที่ยวเพื่อปนเปื้อกายเนี่ยเกือบจะหมดเวลาที่ตื่นแล้วแต่เพียงแค่เราให้เวลาจัดสรรเวลาให้แก่จิตใจของเราไม่ต้องมากเริ่มจากวันลาครึ่งชั่วโมง หรือว่าถ้าทำได้นานกว่า น, นั้นก็ยิ่งดีผลพวงและอันยิ่งส่งนั้นเนี่ยมันจะยั่งยืนมากร่างกายเนี่ยนะไม่ว่าจะปนเปือยอเท่าไหร่ก็ตามถึงเวลาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องเสื่อมไปแต่ใจนี่นะในขณะที่ร่างกายนี้เสื่อมแต่ใจนี่สามารถที่จะจะเลยงอกงามสวนทางกับร่างกายก็ได้คนบางคนเขาแก่นะ ร่างกายเขาเสื่อมโซลงไปคนบางคนก็นพิการร่างกายมีแต่แย่ลงแต่ใจเขากลับดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเพราะเขาได้ปฏิบัติแม้กระทั่งในยามสุดท้ายยามที่หมดลมก็ยังสามารถที่จะรักษาใจให้สงบไม่ทุรนทุรายได้ในขณะที่กายนั้นแทบแตกสลายไปแล้ว